ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติถ้าเราขาดสติลืมเนื้อลืมตัวคนไทยชอบไปแปลความรู้สึกตัวสัมปชัญญะสติเป็นตัวะระลึกละระลึกรู้ะระลึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสัมปชัญญะ ความรู้สึกตัวจริงๆคำว่าความรู้สึกตัวไม่ค่อยตรงกับสามัญชัญญาติเดียวแต่ก็ดีเหมือนกันดีไม่รู้จะแปลว่าอะไรสามัญชั ญ, ญาตเป็นเรื่องของปัญญาปัญญารู้จักแยกแยะว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสารานะอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นี่อะไรควรกับเราอะไรไม่สมควรกับเราของมีประโยชน์บางอย่างก็ควรกับคนอื่นไม่ควรกับเราอย่างบางคนไม่ถนัดอานาปนสติเนี่ยอนาปนสติสมควรกับคนอื่นไม่สมควรกับเร า, าเรู้จักแยกแยะวะ่าอะไรควรกับเราหมายถึงจะทําสมถะจะใช้กรรมฐานอะไรจะทำํำมิปรสนาจะใช้กรรมฐานอะไรเนี่ยถ้ามีปัญญาแยากแยะออก ก็รู้ว่าอะไรสมควรกดาเราแล้วก็ไม่หลงลืมคอยใส่ใจไม่หลงลืมกรรมฐานอันนั้นที่บอกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกอยู่ในกรรมฐานอันนั้นมันไม่ตรงกับคำ ว, ว่ารู้สึกตัวภาษาไทยทีเดียวไม่หลงลืมอย่างเรารู้ว่าอนาปนสติสมควรเดาเราเก็ไม่หลงลืมอนาปนสติหายใจเรารู้สึกหายใจเรามีสติไปด้วย อย่าที่หลวงพ่อบอกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวคาว่ารู้สึกตัวที่หลวงพ่อใช้นะประกอบด้วยองค์ธรรมจํานวนมากมีสมาสมาธิมีใจที่ตั้งมัน่นมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ปรากฏรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีสมัมปชัญญะไม่หลงลืมการทํากรรมฐานมีศรัทธา แน่นแฟนเชื่อมั่นในคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติไปไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรนะปฏบิบัติบูชาพระด้วยความศรัทธามีวิริยะทำไปสม่าเสมอต่อเนื่องมีสติมีสมาธินะคำว่ารู้สึกตัวคำเดียวนะครอบคลุมธรรมะจำนวนมาก เรามาปลุกจิตของเราให้มันตื่นขึ้นมาบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้เพราะว่าตื่ น, นใช้คำว่าพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภาวะที่ตื่นนะเป็นภาวะที่ประกอบด้วยองค์ธรรมฝ่ายดีจานวนมากเวลากิเลสเกิด น, นะกิเลสเกิดอย่างมากสองตัวพร้อมๆกันแต่กูสลเวลาทำงานเนะี่ยเล่นมวยหมูนะ มาด้วยกันเยอะเลยพรักพวกเยอะแต่มักจะแพ้กิเลสกิเลสตัวเดียวนี่นะอย่างความหลงนะเกิดตัวเดียวได้ความฟุ้งซ่านเกิดตัวเดียวได้ธรรมะฝ่ายดีไปสู้ก็บกิเลสตัวเดียวนี่โอ้สู้ต้องทีมหนึ่งกว่าจะเอาชนะได้อย่างอยู่ทำลายอวิชชานะต้องรวมธรรมะฝ่ายดีเรียกว่าโพธิปักขีย์ธรรม37ประการ งั้นธรรมะฝ่ายดีนี่มีมากมีมากกว่าธรรมะฝ่ายชั่วแต่มันไม่ค่อยจะเกิดม mm hmm. ันเกิดธรรมะฝ่ายชั่วซมากกว่าอย่างจิตที่เป็นอกุศลนั้มีแค่สิบสอดวงเองจิตที่เป็นอกุศลมีสิบสอดวงเองด mm ังนั้นจิตที่เหลือนะถ้าไม่ใช่วิบากจิตที่เป็นจิตที่เป็นกุศลมีเยอะ mm hmm. แต่เราแพ้พวกส่วนน้อยนี่แหละส่วนน้อยมันร้าย เราพยายามาฝึกฝนตัวเองทุกวีทุกวันวิธีที่จะฝึกฝนตัวเองถือศีลไมื่ก่อนจําเป็นที่สุดถ้าไม่มีศีลสมาธิก็เสื่อมปัญญาก็เดินไม่ได้ยังมาถามครูบาอาจารย์ผมจะปฏิบัติยังไงครูบาอาจารย์ไม่มีธรรมะจะให้ไม่ใช่ใจร้ายนะครูบาอาจารย์ไม่รู้จักอย่งอยู่ๆเดินดุยดุยมาถามนะผมจะภาวนายังไง ไม่มีธรรมะขึ้นมาในใจครูบาอาจารย์เลยสอนไม่ถูกเลยบทีต้องถามว่าไปกินเหล้ามาหรือเปล่ากินเหล้ามากินเหล้ามาธรรมะไม่มียันศีลจําเป็นนะนะครับไม่มีศีลตัวเดียวสมาธิของเราก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็สอนเราไม่ไหวยันธรรมะมันไม่เกิด ธรรมะฝ่ายปฏิบัติไม่เหมือนธรรมะฝ่ายปริยัติธรรมะฝ่ายปริยัตินั้นท่านจํามาไว้แล้วก็พูดไปตามที่จําได้แต่ธรรมะฝ่ายปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาสดๆร้อนๆแล้วมันจะพอดีกับใจของเราในขณะนั้นเพราะนเวลาที่ฟังธรรมนะพยายามรักษาใจดูแลใจของเราถือศี่ห้าไว้ศี่ห้าข้อพอแล้ว ก็ปลุกใจของเราให้ตื่นขึ้นมาใจของเราตื่นใจเราตื่นแล้วเราก็ค่อยรู้สึกมันจะมีร่างกายมันก็รู้สึกร่างกายได้มีจิตใจมันก็รู้สึกจิตใจได้ถ้า ใ, ใจไม่ตื่นมันก็นิ่งๆไปหมดอย่างวันนี้วันอาสนะพะพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรเรื่องแรกเลยที่ท่านสอนมันจะทําผิดสองอันแม่ไม่ได้เริ่มสอนว่าทําถูกทํายังไงนะ พระอาจสอนเริ่มต้นนะอย่าทําผิดสองอย่างเพราะผิดมีสองอย่างเองอะ่ะถ้าไม่ผิดสองอย่างนะ่ะมันถูกเองไม่ต้องพยายามทําให้ถูกหรอกมันถูกเองผิดสองอย่างนะอันแรกก็คือหลงโลกเพลิดเพลินเตลิดเปิดเปิงไปหลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรสหลงเพลิดเพลินในสัมผัสทางกายหลงเพลิดเพลินไปทางใจน ที่หลงเตลิดเปิดเปิงไปนะเรียกว่าย่อหย่อนไปเรกามสุขาลิกานุโยกเนี่ยท่านบอกอย่าไปทำํำงั้นอย่างถ้าเราเฮากินเหล้าเมายาเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานไปเรื่อยๆถึงวันหยุดทีหนึ่งก็นัดเพื่อนชวนกันไปเที่ยวไปเลี้ยงโน่นเลี้ยงนี่นะเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ได้ประโยชน์เลยเอาดีทางธรรมะไม่ได้หอรอกหลวงพ่อนะ่ รับราชการสมัยโบราณนะรับราชการจะดูปฏิทินไว้เลยปีนี้จะมีพันหยุดช่วงไหนบ้างที่เราจะลาหัวลาท้ายลาตรงกลางอะไรยเงี้ยจะได้วันลาเยอะๆวันลาเยอะๆไปทำอะไรไปวัดจะไปภาวนาวันธรรมดาก็ภาวนาของเราตุวันอยู่แล้วละแต่ถ้ามีวันหยุดเนี่ย อย่างช่วงเนี้ยถ้าเป็นโยมนหลวงพ่อไม่อยู่บ้านแล้วีๆอยู่ ว, วัดได้สี่วันแล้วใช่ไหมหัสศุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเ ล, ลาเพิ่มหัวเพิ่มท้ายหน่อยได้ต้องอาทิตย์หนึ่งได้หลายวันไปภาวนาแต่เดี๋ยวนี้ไม่แนะนำนะสมัยก่อนครูบาอาจารย์มีมากตามวัดป่านะครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้จริงๆมีจานวนมาก เดี๋ยวนี้ก็ลำบากนะ้วไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์เหลือน้อยก็ไปแย่งกันอยู่ไปอัดอัดกันอยู่ส่วนบางที่ก็รกร้างไปไม่มีใครจะสอนเราบางที่มีคนสอนในสอนนอกรู้นอกทางเนงินอยู่บ้านก็ปลอดภัยดีเนี่หลวงพ่อจะไม่ไปเพลินอยู่กับโลกนะถึงวันหยุดมีเวลาจะปรึกษากันสองตาใหญ่ว่ารอบนี้จะไป ทำบุญที่ไหนก่อนจะไปก็ต้องขับรถไปสุพรรณก่อนไปซื้อน้าพึ่งป่ารู้สึกน้ำพึ่งป่าน่าจะดีที่แทมเห็นไม่จะดีกว่ากันตรงไหนเลยนะนเป็นความเชื่อ <c oughs> หาท่าจีวงจีวรใส่ท้ายรถไปนะใส่น้ำป่านะใส่อะไรไปเลือกน้ำกล่องๆ อ, อะไรต่ออะไรนะมันมาก <c oughs> ไปถวายมาเป็นพระเนี่ยรู้เลยว่า กลับมันให้ผลจริงๆนะจีวรมาทุกวันเลยนะมาเยอะมากเลยมาจะลงผ้าส่งให้พระที่ท่านยากจนพระต่างจังหวัดเข้าของมาเยอะเป็นผลของกรรมทั้งนั้นเลยทำเอาไว้อะนี่มันเหลือเหลือกินเหลือใช้ไม่จําเป็นแนละ้ชุดพระชุดหนึ่งใช้ทั้งหลายปียิ่งพวกเราทําบุญก็ดีของเรานะไม่ใช่ไม่ดีแล้ว หลวง พ, พ่อเ็แจกไม่ได้เอาไปขายต่อแจกให้พระอื่นๆไปเนื่ถึงวันหยุดนะก็คิดแต่ว่าจะทำบุญอะไรจะไปปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าที่ไหนถ้ามีเวลาน้อยบงทีก็ไปเบียนเทียนวัดบวอรบอวันไหนไปได้จังหวะได้เจอสมเด็จพรานาคสังวรงามมากองนี้นะ งามสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นพระในกรุงเทพนะที่หลวงพ่อกราบแบบเต็มอกเต็มใจนะตอนเด็กๆ เ, เ, เรียนอยู่วัดพระาชัยนะติดที่วัดเทพศิรินทร์ละเยน็ยนๆเลิกเรียนแล้วก็ไปวิ่งอยู่ที่วัดเทพศิรินทร์นะไม่รู้จักเจ้าคุณนอนไม่รู้จักถ้ารู้จักก็อาจจะไปขอเรียนกรรมฐานนะนี่มาตอนโตแล้วเข้าวัด มีเวลาก็ไปวัดไปพอนาไปทำบุญถ้ามีเวลาน้อยไปเวียนเทียนไปรักษาวินัยในตัวเองไม่ให้หลงโลกยิ่งพวกเราอยากได้ดีนะก็อย่าหลงอย่าหลงโลกโลกไม่มีอะไรโลกมันหลอกคนหลงเท่านั้นะอย่างเราเพลิดเพลินนะล้ไม่นานก็ตายไม่นานก็ตาย พวกที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยตายไปเยอะแล้วไม่ใช่ต้องตายตามอาวุโสนะคนแก่ๆเนี่ยเดินกระงอกกระงักเนี่ยยังไม่ตายสัทีเลยถนะือ <c> ไ <oughs> ม้ตาเดินแงกนับแง๊ไม่เป็นไรอยู่มาตั้งนานแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยหนุ่มๆสาวๆปุ๊บปับ๊บเป็นมะเร็งตายไปตั้งเยอะแล้วอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งในยุคนี้เลยนะ อันนี้หลวงพ่อว่าเอาเองนะดูจากลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์จะเป็นมะเร็งไตอันดับหนึ่งโรคอื่นไม่ค่อยมีหรือนนอุบัติเหตุนี่ไม่เคยได้ยินนะว่าพวกเรามีมีก็ไม่ตายลดความลดหงายอะไร น, นะพลิกไปพลิกมาก็ไม่เป็นไรถ้าสติเราดีหัวกำลังจะโขกพื้นแล้วก็หลบซะหน่อยมันจะให้เวลาหกล้มนะมันจะรู้สึกลงเป็นช็อตๆเลยลงไปปุ๊บปุ๊ บ, บ, บ, บ๊บ๊มันจะไม่ใช่โครมเดียวถึงพื้นนะ สติมันเร็วอะหัวจะโขงก็หลบสัหน่อยหนึ่งแทนที่หัวโหลกจะแตกก็แค่หูแหวงไปหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยน ะ, นะนก็สบายกว่ากันงั้นชีวิตประมานไม่ได้อย่าไปเพลิดเพลินนานหัวร้นหัวร้ออยู่แป๊บเดียวก็ไปละง้เดี๋ยวก็ไปร้ปองไห้ต่อเดี๋ยวก็หัวร้ออีกหลงโลกก็ไม่มีอะไรสิ่งที่เราต้องฝึกต่อไปก็คือมาฝึก ฝึกใจของเราเองตั้งใจรักษาศี่ห้าไว้ก่อนนะที่เหลือก็เป็นงานทางใจมาฝึกใจกใจให้สงบเรียกว่าสมถกรรมฐานฝึกใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานฉลาดคือรู้ความจริงของรูปนามกาใจรู้ความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้ก็หลุดพ้นได้หลุดพ้นได้ก็พ้นจากกองทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือตัวรูปนามตัวขันห้านี้แหละคือตัวทุกข์ ภาวนาจะเห็นความจริงของกันห้ามันก็พ้นจากทุกข์พ้นจากกันห้าจิตจะพลากออกจากขันอย่างพวกเราทําสติปัฏฐานเนี่ยจิตกับขันมันปนกันภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งจิตเก็แยกกจากขันพลากออกจากกันแล้ถ้าพลาดถึงที่สุดนะจิตปล่อยวางจิตเมื่อจิตก็เป็นขันอันหนึ่งเมืจิตปล่อยวางจิตได้เมื่อจิตปล่อยวางจิตได้จิตก็พลากจากขันเด็ดขาด ไม่หยิบมาอีกถ้าหยิบอีกก็ยังไม่ใช่พระอรหันยังพวกเราภาวนาบางคนก็วางจิตลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกส่วนใหญ่ที่พวกเราภาวนาเนี่ยยังไม่เคยเห็นจิตที่วางจิตเราเห็นแต่จิตวางอารมณ์จิตจับความโกรธไว้แล้วก็วางจับโลภแล้ววางจับอะไรแน่นๆไว้แล้วก็วาง เ, เห็นอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นเห็นจิตปล่อยวางจิตง้เราก็จเจริญสติปัญญาไป เรียนรู้ความจริงของรูปนามไปนะเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามไดนะ้หรือจะกระทั่งทำสมถะได้นะจิตต้องถูกนี่จิตที่พวกนักปฏิบัติธรเมันจิตที่ผิดทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจส่วนใหญ่บังคับทั้งสองอย่างอย่างพอหลวงพ่อบอกอ้าวพวกเราทํำอานาปนสติเราต้องขยับ แล้วบังคับร่างกายเรียบร้อยแล้วบังคับการหายใจอีกนะแล้วก็บังคับจิตให้นิ่งๆอีกบอกอ้าไปเดินจงกรมวางฟอร์มทันทีนะเดินทุกก้าวเนี่ยเดินจงกรมได้นะให้มันมีสติไว้ง้นทันทีที่คิดถึงการปฏิบัตินนักปฏิบัติจะทำสิ่งที่สุดโตอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าอัตตะกิลมฐานโยก เนี่ยสองอย่างที่พระเจ้าไม่ให้ทำนะอันหนึ่งหลงโลกเรียกว่ากามสุขาริการุโยคอีกอันหนึ่งก็คือบังคับกายบังคับใจเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยค ก, การบังคับกายบังคับใจโดยเฉพาะจิตใจนะเราดูยากว่าบังคับมีวิธีพิสูจน์ตัวเองนะว่าบังคับหรือเปล่านี่ง่ายๆอย่างหนึง่งถ้าใจเราเกิดมีน้ําหนักขึ้นมามีความหนักมีความแน่นมีความแข็งมีความซึมมีความทื่อน่ ต้องมีการบังคับแน่นอนอทำกำดลมหายใจไปปฏิบัติแน่นไหมหนักไหมมีน้ำหนักไหมนี่แหละอาตาลัตตาจิรมาธายโยกทำไปแล้วดีไหมดีทำไปแล้วไปสุคติได้แต่ไม่ไปนิพพานแต่อยู่ๆจะให้มันทางสายกลางเป๊ะๆมันไม่เป็นหรอก เมื่อตอนมันอาจตัดยิ่งมาถานทโยกทุกคนแหละนะเมื่อตอนมันก็ตึงไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็รู้ทันแล้วก็ค่อย ค, อยคลายออกมีอยู่ที่รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยนะเรื่องมากเลยเรื่องลําบากพ อ, อคิดถึงการปฏิบัติเนะี่ยก็ไปรวบจิตเข้ามานักปฏิบัติร้อยละร้อยนะคิดถึงการปฏิบัติก็รวบจิตเข้ามาในกลัวจิตจะหนีไปดึงมันเข้ามารักษามันไว้นะรักษามันอยากได้สภาวะอันเนี้ย น, นี้เรียกว่าภาวะตัณหานะมีภาวะตัณหาสร้างภพขึ้นมาภายในทําจิตรักษารวบเอาไว้บางทีก็งุศ์ุด์งุศอยู่ข้างในนะมุดเข้าไปจิตมุดมุดมุ ด, ม, ด, ม, ด, ม, ดมุดเข้าไปนี่นภาวนาบางคนก็จิตกระจายว่างว่างโล่งโว่า ง, ง, งว่า ง, า ง, างอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ว่างอยู่งนะั้นนสบายอยู่เป็นปีเลยนะ ว่างๆเนี่ยมันสบายถ้ามุดๆไปเนี่ยจะเหนื่อยจะหนั ก, นกเๆเครียดถ้ารวบไปนั้นจะตึงสักพักหนึ่งก็หมดแรงพอหมดแรงแล้วจะฟุ้งซ่านเนี่ยกริยาอาการของจิตถ้เราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ทำความเข้าใจไปจิตอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดค่อยๆเรียนไปเนี่ย เ, เรียกว่าจิตศิกขาจะทําทให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องร้อยกั้อยของนักปฏิบัตินั่นก็คือเข้าไปแทรกแสงจิตเข้าไปดัดแปงจิต รวบมาไว้บ้างมุดอยู่ข้างในบ้างไปสร้างพบนิ่งๆิอยู่ข้างในบ้างไปสร้างพบว่างว่างโล่งๆอยู่ข้างนอกบ้างทำอย่างโน้นทำอย่าง น, น, างนี้มันมีแต่คำว่าทำคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องทำไม่ได้รู้ว่าการปฏิบัติคือรู้อย่างที่มันเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นอย่างตอนนี้อย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะ ใครอยู่ท่าไหนก็รู้สึกอยู่ท่านั้นรู้สึกได้ไหมต้องนั่งตัวตรงก่อนไหมถึงจะรู้สึกสายหน้าอย่างนี้รู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ไหมยิ้มซิรู้สึกได้ไห ม, ม, ไไหมเออเห็นไหมตอนนี้หัวล้อแต่หัวเราแล้วเผลอรู้สึกไหมหัวเราแล้วเผลอนี่มีโมหะแทรกนะแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นสแสดงว่าจิตดวงนี้เป็นโลภะมูลจิต เมื่อกี้จิตเป็นโลภะมูลจิตนะเป็นญาติกับเปรตเพียงแต่ว่ามันเจือด้วยกุศลลงไปเจือด้วยธรรมะลงไปถ้าตายไปไปเป็นเทวดาได้เนื่นตอนที่กําลังฟังธรรมะเพลิดเพลินนะช็อกตายขึ้นมาตอนนั้นนะอาจจะไปเป็นเทวดาได้นะแต่ว่าหลงไหมหลงอยู่อา้าวหลงแล้วทำไมไปเป็นเทวดาได้โถถ้าไม่หลงนะไม่เกิดนะ ไม่หลงไม่เกิดเลยนะยังไงมันก็ต้องมีหลงสูงสุดกนะ็คือตัวอิชา ย, ยัางไงก็มีไม่ต้องกลัวนะกลัวทำไมมันต้องเป็นนั้นะอย่าเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองนะถือศีลห้าไว้ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาที่สุดเลยนะธรรมดาที่สุดดีที่สุดแต่ธรรมดานี่หมายถึงว่าไม่ผิดศีลผิดธรรมถ้าธรรมดาเชือดคอไก่อะไรเงี้ยก็ผิดศีลผิดธรรม ภาวาลำบากในใช้ชีวิตธรรมดานี่เองรู้สึกตัวไปร่างกายยิ้มรู้ว่ายิ้มนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้ว่าเคลื่อนไหวถ้าร่างกายมันอยู่เฉยๆไม่ได้ไปไหนก็ร่างกายหายใจนะอย่าไปดูร่างกายนั่งก็นั่งอยู่ตั้งนานนะก็นะเห็นร่างกายหายใจก็เห็นหายใจออกหายใจเข้ามีความเปลี่ยนแปลงให้ดูไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจไปแค่นี้ก็เดินปัญญาได้ เพื่อจะเห็นว่าร่างกายกับใจเป็นโคนละอนกันนี่ก็เป็นตัญญานะเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทยานแยกรูปนามได้ต่อไปก็ค่อยๆดูไปรูปมันก็เคลื่อนไหวนะนามธรรมาามันก็เคลื่อนไหวเห็นมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตัวเนี้ยถึงจะเป็นมิปัาสนะตรงที่มิปัาสนาเกิดเนี่ยเราจะเห็นไตรลักษณ์แต่จิตปกติจะไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่ได้ฝึกนะไม่เห็นไตรลักษณ์ ก็ใจ ร, รักเนื่อถูกสิ่งบางสิ่งปกคลุมปิดกั้นไว้อย่างอ น, นิจจังอ น, นิจจังคือสิ่งใดเกิดขึ้นมานะอยู่ชั่วคราวมันจะต้องดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดั บ, แ, ดบแต่อย่างเรารู้สึกว่าในเนี้มีเราอยู่คนหนึ่งในตัวเราในร่างกายนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ก็เราตอนเด็กๆยังเป็นคนเดิมเลยรู้สึกไหมทำไมของที่เกิดดับแต่เรารู้สึกว่าคงที่ต่อเนื่องมายาวนาน เพราะว่าความต่อเนื่องที่เรียกว่าสันตติสันตตินะมันเกิดดับแล้วมันต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วนะมันเหมือนฟิล์มหนังสมัยโบราณใครเคยเห็นฟิล์มหนังสมัยโบราณบ้างมันเป็นรูปๆนะแต่ละรูปไม่เคลื่อนไหวนึกออกไหมแต่ละรูปเคลื่อนไหวไม่ได้แต่พอรูปเนี้ยมันผ่านกล้องส่องไฟนะผ่านไฟฉายอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเหมือนกับให้ความรู้สึก ว่ารูปมันเคลื่อนไหวไดนะ้ที่จริงมันขาดเป็นช่วงช่วงช่วงขาดเป็นรูปแต่ละรูปแต่ละรูปจิตนี้ก็เหมือนกันเกิดดับอย่างรวดเร็วเลยจนเรารู้สึกว่ามันเป็นอันเดียวอย่างเราดูหนังนะมีพระเอกมีนางเอกพระเอกก็มีอยู่คนเดียวแล้วตั้แต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องก็รู้สึกว่ามันเป็นคนเดิมแต่ที่จริงมันคือรูปท <inaudible> ี่ตามองเห็นนับจํานวนไม่ท้วนแต่มันเกิดดับต่อกันอย่างรวดเร็ว น, นการที่มันเกิดสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วอนะมันปิดบังทําให้เราไม่เห็นอนิจจังนี่เราจะเห็นอนิจจังได้นะสติเราต้องเร็วค่อยๆฝึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกจนสติเร็วแนละ้วมันจะเห็นเลจิตที่โกรธมันก็ดวงหนึ่งนะจิตที่รู้ว่าโกรธก็เป็นอีกดวงหนึ่งเนะืคนละอันกันจะรู้ว่าจิตมันเป็นคนละดวงกันไม่ใช่มีจิตดวงเดียวนะงั้นถ้า สันตติมันขาดนะเราไมเห็นอนิจจัง <_ d ata> หรือตัวทุกเนี่ยอะไรปิดบังตัวทุกความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันปิดบังตัวทุกยอยู่อย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันเมื่อยเราก็ขยับเราเปลี่ยนอิริยาบถเราเปลี่ยนอิริยาบถไปหรือทางใจเนี่ยเราเราทำอะไรซ้ำซากนะใจมันเบื่อใช่ไหมเราเปลี่ยนอารมณ์ เราคุยกับคนนี้นานแล้วเบื่อเราไปคุยกับคนอื่นเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยการที่เราเปลี่ยนแปลงนะมันทำให้ความทุกขนะ์นะั้นนะสลายตัวไปอย่างเรานั่งอยู่เมื่อยเมื่อยุ๊บขยับปับ๊บไม่ทันรู้สึกตัวมันหายเมื่อยไปแล้วมันก็ไม่รู้ว่าร่างกายนี้ทุกนะจิตใจฝเบื่ออารมณ์นี้เราก็ตะครุบอารมณ์ใหม่ไปแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วมันก็หายเบื่อเราก็ไม่รู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์หรอก เงืนอะไรที่ปิดบังตัวทุกข์ไว้ก็เรียกว่าอิริยาบถอิริยาบถปิดบังตัวทุกข์แต่คำว่าอิริยาบถเนี่ยมันใช้ทางกายใช่ไหมแต่ทางใจมันก็เปลี่ยนอิริยาบถเงินมันเปลี่ยนอารมณ์มันทําให้ไม่เห็นทุกข์งั้นถ้าอยากจะเห็นทุกข์ชัดๆนะก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทุกครั้งรู้สึกตัวซะหน่อยหนึ่งก่อนนั่งอยู่เนี่ยมันเมื่อยรู้ว่าเมื่อยซะหน่อยแล้วเปลี่ยนแล้วแต่เดี๋ยวก็เมื่ อ, อยอีก รู้สึกอีกเราเปลี่ยนอีกนะหรือหายใจออกเราหายใจออกแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้าเราไม่เห็นทุกข์เราหายใจออกไปสักพักหนึ่งเราเห็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าสักพักหนึ่เห็นทุกข์เกิดขึ้นถ้ารู้สึกอย่างนี้นะก็จะเห็นนะเพราะในร่างกายนี้เต็มไปได้วยทุกข์หรือใจที่จะต้องคอยตะครุบอารมณ์ไปด้วยเปลี่ยนอารมณ์ไปด้วยมันทุกข์นะฉะั้นตัวอิริยาบทตัวความเปลี่ยนแปลงนี่แหละ ถ้าทางกายก็เปลี่ยนอิทธิยาบททางใจก็เปลี่ยนอารมณ์ไปมันทําให้เราไม่เห็นความทุกข์ในใกายในใจถ้าสติเราดีสมาธิเราพอแม่ตัวทุกข์เนี่ยหมอคนมีสมาธิมากพอถ้ามีแค่สติแวบแว๊บแวบบแบบแบบแบบดูยากต้องดูต่อเนื่องนิดหนึ่งถึงจะเห็นทุกข์อย่างกายเนึ่งช่องใช้สมาธิเะในการดู ก, กายก็เห็นว่ากายเป็นทุกข์ดูอย่าง อะไรผิดบางอนัตตาคณะขอละคังเราหนูคณะคณะคืออะไรกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนผิดบางอนัตตาอย่างตัวเราไม่มีแต่เรารู้สึกว่ามีเพราะอะไรเพราะรูปนามจํานวนมากมันมารวมกันเป็นคณะคณะถ้าจะให้ทําให้เห็นหน้าตาต้องทําคณะให้แตกทําคณะให้แตก นะยากไปไหมไหนไหนหน้าตาก็เก่าๆเรียนมานานแล้วเรียนยากๆบ้างเรียนแต่ง่ายๆนะเรียนยากๆแต่เวลาลงมือปฏิบัติปฏิบัติเหมือนเดิมนะปฏิบัติง่ายๆนะอันนี้รู้ไว้เท่านั้นแหละแต่เวลาจิตมันภาวนาไปนะไม่จะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่เห็นเองนะไม่ต้องดิ้นรนหรอกพระเจ้าสอนวิธีการอันหนึ่งไว้นะเรียกว่าวิพัตชวิธี โมแแวนสระอิพอสมเพอไม่นานากาศฉ่ชอช้างวิพัต ช, ช, ช, ชะวิพัตชะบ่แยกงั้นถ้าเราอยากให้คณะแตกเราก็ต้องหัดแยกหัดแยกแยกร่างกายแยกออกไปเป็นส่วนๆแยกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือแยกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมอย่างเงี้ย แยกจิตแยกใจก็แยกเป็นจิตกเจตสิกคือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเจตสิกแยกออกไปเป็นสมส่วนส่วนความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อันหนึ่งส่วนความจําได้ความหมายรู้อันหนึ่งนะส่วนความปรุงดีปรุงชั่วอันหนึ่งมีจิตอีกอันหนึ่งเป็นคนรู้คนดูเรียกว่าวิญญาณขันส่วนของวิญญาณหาจแยกออกไปถ้าขันแยกได้นะแยกธาตุแยกขันได้นะก็นั่นแหละที่เรียกว่าคณะแตก เมื่อไหร่ถ้าหลวงพ่อพูดเรื่องคณะแตกแล้วพวกเราฟังแล้วกลุ้มใจแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าพวกเราแยกท่านแยกขันเป็นฟังแล้วสบายใจไหมเอเปลี่ยนภาษาชนิดเดียวมันก็อันเดียวกันแหละรู้สึกไหมมันแยกออกเป็นส่วนๆได้รูปกระ nam แยกออกอย่างกันได้นะนี่ก็แตกแล้วนะพอแตกพวกออกมาร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราแล้วมันรู้สึกทันทีเลยเรื่องง่ายๆแค่นี้เอง ความสุขความทุกข์มันแยกออกไปจิตเป็นคนดูอยู่รู้สึกไมมสุขทุกข์ไม่ใช่เราความเป็นเรานะถูกทํทาลายทันทีเลยความเป็นตัวเป็นตนถูกทํทาลายทันทีเลยเมือ่อมันแยกเวลาความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูความโกรธก็จิตเป็นคนละอันรู้สึกไม่ความโกรธ ไ, ไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยคือการแยกทาไมจิตเป็นเรามันมีสัญญาวิปลาสเข้าไปหมายอยู่ว่าจิตเป็นเรานะตัวนี้เล่นยากแนละ้ว สัญญาวิปลาสมีสัญญาวิปลาสแล้วก็จะมีจิตตาวิปลาสมีจิตตาวิปลาสแล้วมีทิฏฐิวิปลาสรวมแล้วบ้าเต็มที่เลยลบ้าเต็มที่ก็ตรงมิจฉาทิฏฐินี่แหละมาจากหมายรู้ผิดหมายรู้ผิดทําให้คิดผิดคิดผิดทําให้เชื่อผิดผิดมีความเห็นผิดผิดเราหมายรู้จิตผิดเราหมายรู้จิตโ ด, ดยความเที่ยงรู้สึกว่านี่เราเที่ยงเราไม่ได้เห็นว่า ก็จิตรู้ก็เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตอย่างโน้นจิตอย่างนี้เกิดแล้วดับหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปให้เห็นว่าตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงตัวรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับตัวรู้เองก็รักษาไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตนะค่อยๆซักฟอกให้หายโง่สุดท้ายหายโง่เข้าใจธรรมะก็คือหายโง่นั่นเองเข้าใจธรรมะก็คือได้สมาทิฏฐิมา อย่ที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปนะสิ่งที่ได้มาก็คือสมาธิธิฐสิ่งที่เสียไปก็มิจฉาทิฏฐิแต่ของอื่นไม่มีอะไรหรอกตัวธาตุตัวขันตัวทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกีิยลสนี่เป็นวิบากวิบากของขันไม่เกี่ยวกับการภาวนาอย่างนี้นภาวนาแล้วไม่รวยนี่เรื่องแปลกไหมคนละเรื่องอยากรวยก็ไปทำมาหากินสิมานั่งภาวนาแล้วมันจะรวยเหรอ แต่ภาวนาแยากธาตุแยากขันเป็นได้อะไรได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจได้เห็นความจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันจะไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วอะไรเกิดขึ้นจิตก็พลากออกจากขันจิตก็พ้นจากกองทุกก็เนทะ่านั้นเองไม่มีอะไรมากหรอกง่ายนะไม่ยากหรอกงั้นถ้าหลวงพ่อแจกแจงด้วยภาษาวิชาการเนี่ยพวกเราจะกลุ้มใจนิดนึงแต่พวกเราง่ายแยกธาตุแยกขันเป็นอยู่แล้วส่วนใหญ่ ก็ดูไปร่างกายมันทํางานใจมันเป็นคนดูสุขทุกข์ดีชั่วมันเกิดขึ้นใจเป็นคนดนะูก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราถ้าอะไรร่างกายนี่มีสติคอยรู้ค่อยดูอยู่ร่างกายนี้เป็นตัวทุกร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรานะในมุมที่มองนะเอาไปกินข้าวไหม